พระตตยปิฎกเล่มที่สิเกพโชังค์สังยุทธประมวลเรื่องพโพชงเจ็ดคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ปัพระพตวักว์หมวดว่าด้วยคุณเขานากรุงสาวกถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกนาอาศัยคุณเขาหิ ม, มพานย่อมเติบโตมีกำลัง เติบโตมีกําลังแล้วลงสู่หนองลงสู่หนองแล้วลงสู่บึงลงสู่บึงแล้วลงสู่แม่น้ําน้อยสู่แม่น้ําใหญ่ลงสู่มหาสมุทรนาคเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทรสาคร น, นั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีดลดํารงอยู่ในศีลเจริญโพชฌง คือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ัยบูรในธรรมะทั้งหลายโพชฌงเจ็ดประการนั้นคือเจริญสติสัมโพชฌงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อันอาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัด อาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปในวัฏสงฆ์คือความสละและโดยในยะเดียวกันเจริญธรรมะวิจยสัมโพชฌงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเป้นธรรมเจริญวิริยะสัมโพชฌงคือความเพียรเจริญปีติสัมโพชฌงคือความอิ่มใจ จเจริญปัสสธิสัมโพชงคือความสงบกายสงบใ จ, จเจริญสมาธิสัมโพชงคือความตั้งจิตมั่นจเจริญอุเบกขาสัมโพชงคือความมีใจเป็นกลางอันอาศัยวิเวคคือความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปในโวสัคะคือความสละ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลเจริญโพชฌงเจ็ดประการทําโพชฌงเจ็ดประการให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรในธรรมะทั้งหลายอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายกายนี้ดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้ขาดอาหาร ก็ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะาที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือทำกามฉันท่าที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตมีอยู่ หมายถึงสิ่งที่งดงามหรืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งที่งดงามการทำมณสิกานโดยไม่แยบขายในสุภานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามชันธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำการมชันธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นไปปฏิคานิมิตมีอยู่ คือความกระทบกระทั่งในใจหรืออารมณ์ที่เกิดจากความกระทบกระทั่งใน ใ, นใจปฏิคานิมิตมีอยู่การทำมณสิการโดยไม่แยบคายในปฏิคานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นถีนามิทะ คือความไม่ยินดีความเกียดคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตอดอูมีอยู่การธรรมนาสิการโดยไม่แยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำถินามิทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถินามิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้น ความไม่สงบจิตมีอยู่การธรรมนานสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำอุทธจากกุกขจักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาคือความลองเลสงสัยนั้นมีอยู่ การท ร, รมณสิกาโดยไม่แยกคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารก็อยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน และกายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารพภชงเจ็ดประการนี้ก็เช่นเดียวกันอะไรเป็นอาหารที่ทำสติสัมพภชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่คือธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมพวชงมีอยู่การทำมณสิการโดยแยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและปราณีตเป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวมีอยู่การธรรมนาสิการโดยแยกคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหาร ที่ทำให้ธรรมะวิจยะสามพวชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ความรือเริ่มความภาคเพียรความบากบันมีอยู่การธรรมนะสิการโดยแยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิริยะสามพวชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสำโภชงมีอยู่การธรรมะนสิการโดยแยบใครในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทาปิติสำโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ การธรรมนานุสิการโดยแยกคายในความสงบกายความสงบจิตนี้เป็นอาหารที่ทำปัสสิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่สมถานิมิตคือความสงบหรืออารมณ์ที่เกิดจากความสงบอัพยานิมิตคือนิมิตแห่งจิต ที่มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นวัยพจน์ของสมถานิมิตการธรรมนานุสิกานโดยแยกคายในนิมิตเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําสมาธิสามพโฉงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่การธรรมนุสิกานโดยแยกคายในธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสามพโฉง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 หมายถึงพลาวิมุตต์ซึ่งเป็นโล ก, กุตระอย่างเดียวส่วนวิมุตติยานัทสนะในที่นี้หมายถึงปัจเจเวคขณะยานซึ่งเป็นโลกิยะเท่านั้นการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีหมายถึงการเห็นด้วยตาและการเห็นด้วยยานการได้ยินภิกษุเหล่านั้นก็ดีคือได้ยินได้ฟังด้วยหูว่าพระขีณาสพชื่อโน้นอาศัยอยู่ในที่นั้นนั้น การเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดีคือเข้าไปหาพระอริยะด้วยความตั้งใจว่าจะถวายทานจะถามปัญหาจะฟังธรรมเป็นต้นการบวชภิกษุเหล่านั้นก็ดีหมายถึงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระอริยะเล่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตในสำนักของท่านการเห็นการได้ยินการเข้าไปหา การนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดีเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลได้ฟังธรรมะของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออกสองอย่างคือหลีกออกทางกายและหลีกออกทางจิต เขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมะนั้นสมัยใดภิกษุหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมะนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชฌงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุ ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรจตราพินิจพิจารณาธรรมะนั้นด้วยปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะวิจยสัมโพชฌงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมะวิจยสัมโพชฌงธรรมะวิจยสัมโพชฌงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้นตรวจตราพินิษพิจารณาธรรมะนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วด้วยเหตุนี้วิริยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงยอมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุปีติไม่มีอามิตรยอมเกิดแก่เธอผู้ได้ปรารบความเพียร เมื่อเป็นเช่นนั้นปิติสำโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสำโพชงปิติสำโพชงนั้นย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุทั้งกายทั้งจิตของเธอผู้มีใจมีปิติย่อมสงบเมื่อเป็นเช่นนั้นปสัสสธิสำโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว ชื่อว่าเจริญปสัสสติสัมโพชงปสัสสิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุจิตของเธอผู้มีกายสงบมีสุขย่อมตั้งมัน่นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ เธอย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดีเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบขาสัมโพช o งเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบขาสัมพ o o t งอุเบกขาสัมพ o o t งย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชทชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังพลานิสงฆ์เจ็ดประการคือจะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบันหากยังไม่บรรลุในปัจจุบันก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตายหากในปัจจุบันและเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริณิพายีพระโอรัมภากยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป อันตราปรินิพพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้ปรินิพานในระหว่างคือเกิดในสุทาวาสพบใดพบหนึ่งแล้วเมื่ออายุยังไม่ถึงกึ่งของอายุผู้เกิดในชั้นสุทาวาสก็ปรินิพานเสียในระหว่างประการที่สหากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามี ประการที่สี่หากในปัจจุบันและเวลาใกล้าตายยังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตระปาลินิพายีก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุ ป, ปหัดจะปาลิณิพายีหมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดอยู่ในสุทธาวาสพบใดพบหนึ่งมีอายุพ้นกึ่งจึงปริณิพานประการที่ห้า โดยในยะเดียวกันหากไม่ได้เป็นดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายีคือพระอนาคามีผู้บรรลุพระอรหันต์ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากประการที่หหากไม่ได้เป็นทั้งห้าประการที่กล่าวมานั้นก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี คือพระอนาคามีผู้เกิดในสุทาวาสพบได้พบหนึ่งบรรลุพระอรหันต์ปริณิพาน์โดยต้องใช้ความเพียรมากประการที่เจหากไม่ได้เป็นทั้งหประการนั้นก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้มีอุทธังโสโตโอากาศนิทะคามีเพราะโอรัมพากิยะสังโยชน้ประการสิ้นไปหมายถึงพระอนาคามีผู้มีกระแสสูงขึ้นไป ไปจนถึงชั้นอากานิทะภคคือเกิดในสุดท้าวาดภพใดภพหนึ่งแล้วก็จะเกิดเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นอากานิทะภคแล้วจึงปรินิพพานในภพนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อพูดชงเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้พึงหวังพลานิสงเจ็ดประการนี้ อุปมาด้วยผ้าณพระเจตวันท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุดังนี้โพชฌงเจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปสัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชฌง บันดาพรชงเจ็ดประการนี้ผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพรชงข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยโพ่อชงข้อนั้นๆในเวลาเที่ยงและเย็นก็เช่นกันถ้าสติสัมพ o o t งของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัดว่าสติสัมพ o o ชงของผมไม่มีประมาณผมปรารบดีแล้วผมรู้ชัดสติสัมพ o o ชง ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่แม้สติสัมโพชงของผมเคลื่อนไปผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอุเบกขาสัมโพชงก็เช่นเดียวกันตู้เก็บผ้าของพระราชาบรรจุผ้าสีต่างๆพระราชาประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ส่งนุ่งห่มผ้าคู่นั้นๆ ในเวลาเที่ยงและเย็นก็เช่นกันแม้ฉันใดบรรดาโพชฌงเจ็ดประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงข้อใดๆในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยโพชฌงข้อนั้นๆในเวลาเที่ยงและเย็นก็เช่นกันผู้มีอายุทั้งหลายถ้าสติสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงของผมมีอยู่ผมก็รู้ชัด สติสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่แม้เคลื่อนไปก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไปเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยว่าด้วยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงนักรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง ข้าวเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์จึงตรัสว่าโพชฌงทรงตอบว่าที่เรียกว่าโพชฌงเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปในวัฏสงฆ์และโดยนัยเดียวกัน เจริญสติสัมโพชงเป็นต้นนั้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชงรวมเจ็ดประการนี้อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรษน้อมไปในโวสัก ข, ขะเมื่อเธอเจริญโพชงเจ็ดประการนี้อยู่จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาโวะและอวิชชาศวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว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 ณป่าอัญชนะวันเขตเมืองสาเกตรครั้งนั้นกุนทลิยาปริพาชกเข้าไปเป้ากราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปหาบริษัทเมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วในเวลาหลังอาหารเดินเที่ยวไปทางอารามสู่อารามทางอุทยานสู่อุทยานณที่นั้น ข้าพเจ้าเห็นสมณพราหม์พวกหนึ่งกำลังกล่าวคถาซึ่งมีวิธีเปลื้องวาทะเป็นอนิสงและมีวิธีโตวาทะเป็นอนิสงส่วนท่านพระโคโดมมีอะไรเป็นอนิสงอยู่ทรงตอบว่าตถาคตมีวิชาและวีมุตเป็นพลานิสงทูลถามว่าธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว จึงทาวิชาและวิมุตต์ให้บริบูรณ์ได้ทรงตอบว่าคือโพชฌงเจ็ประการทูลถามว่าธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วทําโพชฌงเจ็ประการให้บริบูรณ์ทรงตอบว่าสติปัฏฐานสี่ประการที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วทําให้โพชฌงเจ็ประการให้บริบูรณ์ ทูลถามว่าธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วทําสติปฐานสี่ประการให้บริบูรณ์ส่งตอบว่าสุจริตสามคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทูลถามว่าธรรมะเหล่าไหนที่ทําสุจริตสามประการให้บริบูรณ์ส่งตอบว่าคืออินรียสังวร ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุดจริตสามประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวิเ น, นียนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจทางตาแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินรูปที่น่าชอบใจนั้นไม่ให้เกิดความกำหนัดกายของเธอที่คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอห น, นึ่ง เธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจทางตาแล้วก็ไม่เก้อเขินมีจิตไม่ติดอยู่ไม่เสียใจมีใจไม่พยาบาททั้งกายของเธอก็คงที่และจิตก็คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วโดยในยะเดียวกันภิกษุเมื่อฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏพผ การสัมผัสทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกที่น่าชอบใจทางใจแล้วไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไม่เกิดความกำหนัดกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วอนหนึ่งเธอรู้แจ้งธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทางใจแล้วก็ไม่เก้อเขินมีจิตไม่ติดอยู่ ไม่เสียใจมีใจไม่พยาบาททางกายของเธอก็คงที่และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดีหลุดพ้นดีแล้วเพราะเหตุนี้ภิกษุนั้นจึงหลุดพ้นดีแล้วในธรรมะที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจอินทรียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำสุจริตสามประการให้บริบูรณ์สุจริตสามประการนั้นที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริตสุจริตสามประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำสติปัฏฐานสี่ประการให้บริบูรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจรารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอัปพิชฌาและโทมนัสในโลกได้สติปัฏฐานสี่ประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทาโพชฌงเจ็ดประการให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดประการทําวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดังนี้คือภิกษุในธรรมวิันนี้เจริญสติสัมโพชฌงเป็นต้นนั้น จนถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะโพชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์กุณฑลิยะปริภาชกได้กราบทูลสันเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิต ว่าด้วยอุปมาด้วยก่อนของเรือนยอดภิกษุทั้งหลายกรอนของเรือนยอดทั้งหมดล้วนน้อมไปสู่ยอดโน้มโอนไปสู่ยอดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญโพชฌงเจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มโอนไปสู่นิพพาน ข้อนี้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงเป็นต้นนั้นจนถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัต์คะว่าด้วยพระอุปวานนะท่านพระสาวรีบุตร ได้ถามท่านพระอุปวานะดังนี้ว่าเพราะมณสิการโดยแยบคลายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ไม่ว่าโพชฌงเจ็ดประการที่เราปรารบดีแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ภาสุตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระสาวรีบุตรกล่าวอีกว่าภิกษุปรารบสติสัมโพชฌงเป็นต้นนั้นจนถึงอุบเบกขาสัมโพชฌง ย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทินมิทะของเราถอนได้แล้วอุทธจา ก, กกุกุตจักเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราก็ปรากฏแล้วเรามณสิการอย่างจริงจังไม่ย่อหย่อนท่านพระอุปวานะกล่าวว่าท่านสารีบุตรเรามณสิการโดยแยบคายเฉพาะตนภิกษุพึงรู้ได้ว่า โพชฌงเจ็ดประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่พาสุขด้วยประการชนนี้ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นวินัยของพระสุคตโพชชงเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นพโอชงเจ็ดประการนั้นได้แก่สติสัมพโอชงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ธรรมวิจยสัมโอชงการเป็นธรรม วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรปิติสัมโพชฌงค์ความอิ่มใจปัสธิสัมโพชฌงค์ความสงบกายสงบใจสมาธิสัมโพชฌงค์ความตั้งจิตมั่นและอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการต ร, รัสรู้คือความมีใจเป็นกลางโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นข้อนี้คือหลักการปฏิบัตินี้ไม่มีในศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนานอกจากมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านั้น ขิ้ลานวักหมดว่าด้วยผู้อาพาธว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์พระพูทมีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เราได้เ่าหนึง่งสําเร็จอิริยาบดีคือบางคราวก็เดินบางกล่าวก็ยืนบางกล่าวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงสำเร็จอิรยาบทสีนี้ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงเจ็ประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญทำให้มากซึ่งโพชฌงเจ็ดประการนั้นเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงเจริญธรรมวิจัยวิริยะปีติปสัสสิคือการสงบกายสงบใจสมาธิและเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดนอมไปในโวสัก ข, ขะ เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใดกัลยาณมิตราความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีก็เป็นตัวนำํำเป็นบุพานิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงเจ็ประการฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญทำโพชฌงเจ็ประการให้มาก คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเจริญวิริยะปีติปัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะว่าด้วยผู้อาพาธ ณพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระมาหากษัะริยอาพาธได้รับทุกเป็นไข้หนักครันเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างทูลตอบว่าไม่สบายอาการหนักไม่ทุเลาลงเลยตรัสว่ากษัต พชงเจ็ดประการนี้ที่เรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพหุชงเจ็ดอะไรบ้างคือสติสัมโพหุชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน และโดยนิยะเดียวกันธรรมวิจัยวิริยะปีติปสัสสิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงโพชงเจ็ดประการ น, นี้แลเรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานท่านพระมหากัสปะกราบทูลสรรเสริญพระพาสิท และมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคขณะนั้นจึงหายขาด จ, จากอาพาธนั้นและเพราะเหตุนี้อาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้อย่างนั้นหมายเหตุผู้อา่านข้อนี้ขอฝากสังคมไทยไว้ด้วยนะครับเราได้เห็นคนไทยพุทธจำนวนมากแม้จะศึกษาธรรมะ ม, มามากเป็นคนฝ่ายในธรรม หรือบางท่านก็เป็นคนระดับประเทศนะครับที่ยังอยู่ในหมวดของศิลป ะ, ะตัปรามาสคือการเข้าใจผิดคิดว่าการสวดโพชงด้วยภาษาบาลีโดยที่ไม่เข้าใจไม่แปลให้เข้าใจและไม่เคยน้อมใจพิจารณาตามบทสวดจนเข้าใจความหมายและเกิดการรู้จริงเห็นจริงทราบซึ้งปีติในแต่ละข้อของโพชงเจตนั้นข้อนี้เท่านั้นนะครับ ที่จะทำให้หายป่วยได้เพราะได้กำลังจิตเป็นยารักษาร่างกายตนเองแต่ถ้าหากว่าสวดโพชงด้วยภาษาบาลีล้วนและแถมยังแปลไม่ออกและคิดว่าจะเป็นการสวดเพื่อให้คนป่วยหายป่วยข้อ น, นี้คือศิลละพตปรามาโดยตรงนะครับเป็นการเชื่อโชคลางไม่อยู่ในเหตุและผลซึ่งการเผยแผ่เผยแพร่ศา ส, สนาที่ผ่านมา เราโดนบิดเบือนด้วยคำสอนของลัทธิอื่นเข้ามาแทรกแบบไม่รู้ตัวนะครับการสวดมนต์คือการเอาธรรมะมาร้อยเรียงเป็นบทสวดเป็นคาถาเพื่อให้ท่องจําได้ง่ายแต่ข้อที่จริงของอ น, นิสงส์ของการสวดก็คือต้องแปลได้และระหว่างสวดไปก็เหมือนได้ย้าคิดเรื่อยๆถึงบทธรรมแต่ละข้อนั้นจนเข้าใจเกิดปีติรู้แจ้ง นี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดจริงจากการสวดมนต์นะครับดังนั้นจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยสมัยหนึ่งท่านพระมหามมคลานะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอยู่ที่ภูเขาคิจกูดครั้นเวลาเยน็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปเยี่ยมถามถึงอาการทูลตอบว่าไม่สบายหนัก ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโมคลานะโพชงเจดประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชงเจดประการนั้นคือสติสัมโพชงเป็นต้นนั้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชง พวจงเจ็ดประการนี้และเรากล่าวไว้ชอบแล้วท่านพระมหาโมคลานะกราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธ์ชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคในเวลานั้นจึงหายขาดจากอาพาธนั้นและอาพาธนั้นอันท่านพระมหาโกคลานะละได้อย่างนั้นณพระเวรุวัน พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรได้รับทุกพระอาการหนักครั้งนั้นท่านพระมหาจุนธะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงบอกท่านพระมหาจุนธะสาธยายรมในหมวดโพชฌงเจ็ดประการนั้นท่านพระมหาจุนธะจึงแสดงโพชฌงทั้งเจดประการอันมีสติสำโพชฌงธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสิ คือความสงบ ก, กายสงบใจสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมพอพระไทยทรงหายขาดจากพระประชวนนั้นและพระประชวนนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงละได้อย่างนั้นว่าด้วยธรรมะที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฟัง ภิกษุทั้งหลายโพชงเจประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ข้อนี้คือการเปรียบเทียบวั ต, ตะัะหรือการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดคือฝั่งนี้การข้ามพ้นฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้ก็คือนิพพานที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้ว โพชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือสติสัมโพชงธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงทั้งเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้ในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวน น, น้อย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 เป็นที่สละความถือมั่นบัณดิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกว่าด้วยธรรมะที่บุคคลพลาดภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจดประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วโพชฌงเจ็ดประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรากฏแล้วอริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุก์โดยชอบก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารกแล้วโพชฌงเจ็ดประการคือสติสัมโภชฌงธรรมวิจัยวิริยะปีติ ปัตสธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงโพชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วเป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมะที่ตัดมูลรากะแห่งวัฏฏะทํานิพพานใหเป็นอารมณ์แล้วนําสัตว์ออกจากวัฏฏะโพชงเจ็ดประการนี้เป็นอริยะเป็นนิยานิกธรรมนําออกไป เพื่อให้สิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญข้อนี้คือโพชฌงเจ็ดประการนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นอริยะโพชฌงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงเจ็ดประการนั้นคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชฌง ว่าด้วยธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณภิกษุทั้งหลายกามชันทะคือความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความัยบูญยิ่งขึ้นเพราะธรรมณสิการถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะให้มากพยาบาทคือความคิดปองร้าย ทีณมิทธะความง่วงเหงาหานอนอุทจักกุบกุจจ์ความฟุ้งซ่านรําคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมเช่นสงสัยในกฎแห่งกรรมเป็นต้นทั้งหมดรวมเรียกว่านิวรหานิวรห่าแต่ละประการนั้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว ยอมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเพราะธรรมนุสิการถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรนนั้นให้มากภิกษุทั้งหลายสติสมโพชงที่ยังไม่เกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วยอมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมนุสิการถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสมโพชงให้มากและโดยในยะเดียวกัน เพราะธรรมนุสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยาสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะธรรมนุสิการถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้ง แห่งสามพวชงเจ็ดประการในแต่ละประการนั้นให้มากว่าด้วยการมณสิการโดยไม่แยบใายภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมณสิการโดยไม่แยบใายนิวรหาอานได้แก่การมชันทะความพอใจในกรรมพยาบาทความปองร้าย ทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทธจักกุกุ จ, จักความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือร้อนใจและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมะนิวรห้าเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งขึ้นสติสัมผูชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปและโดยในยะเดียวกันธรรมะวิจัยวิริยะปีติปัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่เมื่อบุคคลมณสิการโดยแยกไขนิวรห้า อันได้แก่กามชันทะพยาบาททีนามิทะอุทจจะกุบกุจจและวิจิกิจชาย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเขาย่อมละได้สติสัมโพชงธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถึงความเจริญเต็มที่อปาริหานิยธรรมเจ็ดประการคือธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมได้แก่โพชงทั้งเจ็ดประการนั้นภิกษุททั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญมั่งและปฏิปทา ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตันหาอันได้แก่การเจริญทําให้มากซึ่งโพชงเจ็ดประการนั้นมีสติสัมโพชงเป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชงท่านพระอุทายีทูลถามว่าโพชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความสิ้นตันหา ส่งตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะอันภัยบู์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเมื่อเธอเจริญสติสัมโพชงอยู่เช่นนั้นย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้ จึงละกรรมได้กรรมในที่นี้คือกรรมที่มีตัณหาเป็นมูลและเพราะละกรรมได้จึงละทุกได้ทุกในที่นี้หมายถึงทุกในวัตตะที่มีกรรมเป็นมูลและโดยนัยเดียวกันเจริญธรรมวิจยะสามโพชงวิริยะปีติปัสสธิสมาธิ และอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะอันภัยบู์เป็นมหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเมื่อเธอเจริญทาให้มากซึ่งโพชงนั้นย่อมละตันหาได้เพราะละตันหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกได้ เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการชนี้และโดยนัยเดียวกันการเจริญโพชฌงเจ็ดประการนี้คือการเจริญมัคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความดับตัณหาและเป็นทางอันเป็นส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสดังนี้ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงเป็นต้นนั้นอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะอันภัยบู์เป็นมหาหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีความเบียดเบียนเธอมีจิตอันสติสัมโพชงให้เจริญแล้วชำแรกทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรกทำลายได้ จำแรกทำลายกองโทสะกองโมหะที่ไม่เคยจำแรกทำลายได้พ่ชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความจำแรกกิเลสภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว จึงเป็นไปเพื่อละธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เหมือนการเจริญโพชฌงเจ็ดประการ น, นี้เลยธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เป็นอย่างไรคือจักขูหรือตาเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่จักขูนี้โสตาคือหู คานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายะคือกายและมโนคือใจทั้งหมดนั้นรวมเรียกว่าอายตนะภายในหกประการตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมัน่นย่อมเกิดขึ้นจากอายตนะทั้งหกนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ท่านพระอุทายีเข้าเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอิ้าพระองค์มีความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคมากเหลือเกิน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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดความดับแห่งแต่ละประการนั้นเป็นดังนี้ข้าพระองค์อยู่ในเรือนว่างพิจารณาความเกิดและความเสื่อมแห่งอุ ป, ปาทานขันห้าประการ น, นั้นได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดทุกนิทุกขนิโรธความดับทุก นิทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขาแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะที่ข่าพระองค์บรรลุแล้วในที่นี้หมายถึงวิปัสนาธรรมธรรมะที่ข้าพระองค์บรรลุแล้วและมักที่ข้าพระองค์ได้แล้วที่ข่าพระองค์เจริญทําให้มากแล้วนั้นจะนําข้าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้น ไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรันทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสติสัมโพชงที่ข่าพระองค์ได้แล้วที่ข่าพระองค์เจริญทำให้มากแล้วนั้นจะนำข่าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปและโดยในยะเดียวกันธรรมวิจยาสัมโพชฌงวิริยะปีติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงที่ข่าพระองค์ได้แล้วจเจริญทำให้มากแล้วจากนำข่าพระองค์ผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้น ไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรันทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วอุทายีมักที่เธอได้แล้วเจริญทําให้มากแล้วนั้นจะนําเธอผู้อยู่เพื่อความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์ทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนิวรณวักหมวดว่าด้วยนิวรนว่าด้วยธรรมะที่เป็นกุศลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญทาให้มากซึ่งโพชฌงเจ็ดประการ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสติสมาธิและเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญโพชฌงเจ็ประการทำโพชฌงเจ็ประการให้มาก อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นโซนกุศลเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดมีโยนิโสมนสิการคือการมณสิการโดยแยกไายเป็นมูลรวมลงในโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการบันบิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้น ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนาสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะเจริญโพชฌงเจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากสิ่งเศร้าหมองแห่งทองห้าประการนี้เป็นเหตุให้ทองเศร้าหมองไม่อ่อนไม่ผุดพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีคือเหล็ก เป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทองโลหะดีบุกตะกัวและเงินเป็นสิ่งเศร้ามองแห่งทองความเศร้ามองแห่งจิตห้าประการนี้ก็เหมือนกันเป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาศวะความเศร้ามองแห่งจิตห้าประการ ได้แก่นิวรณ์ห้ามีกามชันทะพยาบาทถีนามิทะอุทจักกุกุ จ, จกักและวิจิกิจชาความเศร้ามองแห่งจิตห้าประการนี้เป็นเหตุให้จิตเศร้ามองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดผองฝุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลาย โพชฌงเจ็ดประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกัน้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติโพชฌงเจ็ดประการนี้คือสติสัมโพชฌงธรรมวิจัยวิริยะปีติปสัสสธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาลวิมุตติภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมนาสิกาโดยไม่แยกใครนิวรห้าคือกามชันทะเป็นต้นนั้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูนอันหนึ่ง เมื่อภิกษุมนาสิการโดยแยกขายสติสมโพชงเป็นต้นนั้นจนถึงอุเบกขาสมโพชงที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่โพชงเจ็ดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมภิกษุทั้งหลาย นิวรคือเครื่องกลางกั้นห้าประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตถอนกําลังกําลังปัญญานิวรนห้าประการนั้นคือการฉันทะพยาบาทธีณมิทธะอุทเทจักุกุจจะและวิจิกิจชาเป็นนิวรเครื่องกลางกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตถอนกําลังปัญญา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 ภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยาสาวกตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงียร์สดสดับธรรมสมัยนั้นนิวรณห้าประการย่อมไม่มีแกเ่เธอโพชฌงเจ็ดประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดต้นไม้เหล่านั้น ได้แก่ต้นอะไรบ้างคือต้นโพต้นไซต้นเลียบต้นมะเดือ่อต้นมะขิดต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลงฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันลักามเช่นใดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเขาย่อมถูกกามเช่นนั้นหรือสิ่งที่เลวกว่านั้น ทำให้หักล้มลงภิกษุทั้งหลายนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นห้าประการนี้ครอบงำจิตแล้วถอนกําลังปัญญานิวรณ์ห้าประการนั้นคือกามชันทะพยาบาททีนามิทะอุทจกักกุจจะวิจิกิจชาเป็นเครื่องกลางกัน้นครอบงำจิตถอนกําลังปัญญา ส่วนโพชงเจ็ดประการคือสติสามโพชงเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งผลแห่งวิชาละวิมุตติภิกษุทั้งหลายนิวรห้าประการนี้ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวรห้าประการนั้นคือกามชันทะพยาบาทถีนามิธะอุทธะกุกุจจะและวิจิกิจชาส่วนโพชฌงเจ็ดประการนี้มีสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสติคือสงบกายสงบใจสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌง ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตาทำให้รู้เจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝ่ายความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานจักรวัติวัตรหมดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิว่าด้วยมานะคือการถือตัวมานะคือการคิดว่าเราดีกว่าเขา เราเร็วกว่าเขาเราเสมอเขานักรุงสาวัถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณะพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะสามประการในอดีตได้ก็เพราะพชทชงเจ็ดประการที่สมณะพราหมณ์ทั้งปวงทำให้มากแล้วสมณะพราหมณ์ทั้งปวงที่จกละมานะสามประการในอนาคต หรือแม้ในปัจจุบันก็เพราะพุทธชงเจ็ดประการที่ทำให้มากแล้วพุทธชงเจ็ดประการได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิความสงบกายใจสมาธิและอุเบกขาสัมพุทชงสมณพรามทั้งปวงที่ละมานะสามประการในอดีตได้ ที่จะละมานะสามประการในอนาคตได้ที่ละมานะสามประการในปัจจุบันได้ก็เพราะโพชทชงเจ็ประการนี้และที่สมณพราหมณ์ทั้งปวงเจริญทำให้มากแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิปรากฏแก้วเจ็ดประการจึงปรากฏคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้ว มณีแก้วนางแก้วขหบดีแก้วและปรินายกแก้วส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏแก้วคือโพชทชงเจ็ดประการจึงปรากฏได้แก่แก้วคือสติสัมพุทชงธรรมวิจัยวิริยะปี ต, ติปัสสธิความสงบกายใจสมาธิ และอุเบกขาสัมโพชงภิกษุทั้งหลายทางสำหรับย่ายีมานและกองทัพมานคือโพชงเจ็ดประการนี้แลภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่ามีปัญญาซามเป็นคนเสซในที่นี้หมายถึงคนที่ใช้ปากพูดได้แต่พูดไม่ชัด ข้อนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรทรงตอบว่าที่เรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซะก็เพราะโพชฌงเจตประการที่บุคคล น, นั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมีสติสัมโพชฌงเป็นต้นจนถึงอุเบกขาสามโพชฌงนั้นที่เรากล่าวว่ามีปัญญาสามเป็นคนเซะก็เพราะโพชฌงเจตประการนี้ อันบุคคลนั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์จึงตรัสว่ามีปัญญาไม่เป็นคนเซร์ทรงตอบว่าก็เพราะพโธชง7จประการที่บุคคลนั้นเจริญทำให้มากแล้วและโดยนัยะเดียวกันที่ตรัสว่าคนจน ก็เพราะโพชงเจ็ดประการที่บุคคล น, นั้นไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วที่ตรัสว่าคนไม่จนก็เพราะโพชงเจ็ดประการที่บุคคล น, นั้นเจริญทำให้มากแล้วว่าด้วยเหตุให้โพชงเกิดภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุภายในให้โพชงเจ็ดประการเกิดขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญโพชงเจ็ดทำโพชงเจ็ดประการให้มากเราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายนอกให้โพชงเจ็ดประการเกิดขึ้น เหมือนกัญญาณามิตาภิกษุผู้มีกัลยาณามิตพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะเจริญโพชฌงเจ็ดประการทำโพชฌงเจ็ดประการให้มากข้อนั้นคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิคือความสงบกายใจสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักคะโพชังคะสากัจวักหมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชงว่าด้วยอาหารของนิวรและโพชงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหารของนิวรณ์ห้าประการและโพชฌงเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายอาหารที่ทำการมาชันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตรสิ่งที่สวยงามมีอยู่ การธรรมนาสิกาโดยไม่แยบคายในสุภานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําการมสันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นปฏิคานิมิตความโกรธขัดเคืองใจการธรรมนาสิกาโดยไม่แยบคายในปฏติคานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทําให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นความไม่ยินดีความเกียดคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหูมีอยู่การรรมนณสิการโดยไม่แยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำให้ทีน่ามิทะคือความง่วงเหงาหานอนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำทีนามิทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยโบยิ่งขึนทีนามิทะคืออาการที่จิตเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังเศร้าซึมง่วงเหงาเหานอนความไม่สงบจิตมีอยู่การทรรมนาสิกานโดยไม่แยบใคยในความไม่สงบจิตนั้นให้มากเป็นอาหารที่ทำให้อุทจักกุกจัก คือความฟุง้งซ่านรำคาญหรือร้อนใจที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทาอุทจักกุก จ, จัที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชา้าคือความลังเลสงสัยในธรรมเช่นการสงสัยไม่ปักใจเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นนั้นการธรรมนะสิการโดยไม่แยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำให้วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นว่าด้วยอาหารของโพ่อชงธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงมีอยู่การธรรมนาสิกานโดยแยกคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหาร ที่ทำให้สติสัมโพสชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำสติสัมโพสชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวธรรมะเหล่านี้มีอยู่การธรมณสิกาโดยแยกคลายในธรรมะเหล่านั้นให้มาก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 ธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงมีอยู่การธรรมนาสิการโดยแยกคลายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ความสงบกายสงบจิตมีอยู่การธรรมนาสิการโดยแยกคลายในธรรมะเหล่านั้นให้มาก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 ธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงมีอยู่การธรรมนานุสิการโดยแยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี่เป็นอาหารที่ทําอุเบกขาสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่อสุภนิมิตสิ่งที่ไม่งามนั้นมีอยู่ การธรรมนัสสิการโดยแยกไายในอสุภานิมิตนั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำกามสันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นและโดยนัยยะเดียวกันเมตตาเจโตวิมุตไม่เป็นอาหารของพยาบาทความริเริ่มความภาคเพียรความบากบัน ไม่เป็นอาหารที่ทำถินามิทะให้เกิดขึ้นความสงบจิตไม่เป็นอาหารที่ทำอุทะจักกุกุ จ, จักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษการทำมนัสสิกาโดยแยบคายในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงมีอยู่การเมธธรรมนาสิกาในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้ไม่ใช่อาหารที่ทำสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลการเมธธรมนาสิกาในธรรมะเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำธรรมวิจยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น การไม่ธรรมาสิการในความริเริ่มความภาคเพียนความบากบันนี้ไม่ใช่อาหารที่ทำวิริยะสัมโพชงให้เกิดขึ้นการไม่ธรรมาศสิการธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปิติสัมโพชงนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำปิติสัมโพชงให้เกิดขึ้นการไม่ธรรมาสิการในความสงบกายสงบจิต นี้ไม่ใช่อาหารที่ทำปัต ส, สัิสัมโพชฌงให้เกิดขึ้นการไม่ทำมนาสิการในสมาธินิมิตในอภัยาคานิมิตนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นการไม่ทำมนาสิการในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌง นี้ไม่ใช่อาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ว่าด้วยเหตุที่นิวรและโพชงอาศัยนักกรุงสาวัตถีภิกษุหลายรูป เข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดีรถีถูกถามว่าพระสมณโคโดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนิวรณห้าประการอันเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญโพชฌงเจ็ดประการตามความเป็นจริงเถิดแม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายดังนั้น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 ภิกษุทั้งหลายพวกอัญญาเดียรถีปริพาชกมีวาทะอย่างนี้เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็เหตุที่นิวรณ์ห้าประการอาศัยกลายเป็นสิบประการหละเหตุที่โพชฌงเจ็ประการอาศัยกลายเป็น14ประการมีอยู่หรือไม่เมื่อถามเช่นนี้พวกเขาจะตอบไม่ได้ เพราะไม่ใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรายังไม่เห็นบุคคลที่จะทำจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากคำสอนของตถาคตนี้ เหตุที่นิวรห้าประการอาศัยกลายเป็นสิบประการคือแม้การมชันทะในภายในคือความพอใจกำหนัดที่เกิดเพราะขันห้าของตนก็เป็นนิวรแม้การมชันทะในภายนอกคือความพอใจกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะขันห้าของผู้อื่นก็เป็นนิวรณ์คำว่าการมชันทะนิวรย่อมมาสู่อุเทศนี้ แม้ด้วยเหตุนี้กามชันทานิวรนนั้นจึงเป็นสองประการและโดยนัยเดียวกันแม้พยาบาทในภายในก็เป็นนิวรนแม้พยาบาทในภายนอกก็เป็นนิวรนแม้ถินะก็เป็นนิวรนแม้มิถะก็เป็นนิวรนแม้อุทธจักก็เป็นนิวรนแม้กุกุจจะก็เป็นนิวรน แม้วิจิกิจชานในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้วิจิกิจชาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นนิวรณ์ด้วยเหตุนี้นิวรณ์ห้าประการนั้นจึงแบ่งแต่ละข้อเป็นอีกสองประการเช่นนี้เหตุนี้แหละนิวรณ์ห้าประการอาศัยกลายเป็นสิบประการ เหตุที่โพชงเจ็ดประการอาศัยกลายเป็นส4สี่ประการเป็นอย่างไรคือแม่สติในธรรมะทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมพ o o t งแม่สติในธรรมะทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมพ o o t งสติในภายในคือความระลึกได้ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กำหนดสังขารในภายในสติในภายนอก หมายถึงสติที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กำหนดสังขารในภายนอกธรรมะที่บุคคลเลือกแ้นตรวจสอบพินิษฐพิจารณาในธรรมะทั้งหลายในภายในด้วยปัญญาก็เป็นธรรมะวิจยสัมโภชงหรือแม้ในภายนอกก็เป็นธรรมะวิจยสัมโภชงแม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยะสัมโภชงแม้ความเพียรทางจิต ก็เป็นวิริยะสัมโพชงแม้ปีติที่มีวิตกวิจาร์ก็เป็นปีติสัมโพชงแม้ปีติที่ไม่มีวิตกวิจาร์ก็เป็นปีติสัมโพชงแม้กายปัสสิก็เป็นปัสสิสัมโพชงแม้จิตตปัสสิก็เป็นปัสสิสัมโพชงแม้สมาธิที่มีวิตกวิจาร์ ก็เป็นสมาธิสัมโพชงแม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์ก็เป็นสมาธิสัมโพชงอุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงแม้อุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงโพชงเจประการแต่ละประการนั้นย่อมแบ่งได้อีกเป็นอย่างละสองประการ ย่อมไปสู่อุเทศนี้ภิกษุทั้งหลายเหตุนี้แหละที่พชธชงเจ็ดประการอาศัยกลายเป็นสิบสี่ประการอุปมาด้วยไฟภิกษุทั้งหลายพวกอนยัญญตโยรตีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นเธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใดจิตผดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญพุชงเหล่าไหนเป็นเวลาเพื่อเจริญพชชงเหล่าไหนอันหนึ่งสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญพชชงเหล่าไหนเป็นเวลาเพื่อเจริญพชชงเหล่าไหนพวกอัญญาดีรถีเมื่อถูกถามอย่างนี้จะตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัย เราไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีการตอบปัญหานี้เว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังคำสอนของตถาคตนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปสัสธิสัมโพชง ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการให้ไฟน้อยนิดลุกโคลงจึงใส่หญ้าสดโคลไมเปียบไม้สด ปรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาจึงไม่สามารถให้ไฟน้อยนิดนั้นลุกโคลงได้อุปมานี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหู่ไม่ใช่เวลาเพื่อเจริญปัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่สมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตหดหูนั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผลงจึงใส่หญ้าแห้งโคมงไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาจึงสามารถทำให้ไฟน้อยนิดนั้นลุกโคงไ ด, ด้อุปมาณิฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญปิติสัมโพชฌงสมัยใดจิตปุ้งซ่าน สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงและปิติสัมโพชฌงค์เพราะจิตปุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าแห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่ปล่อยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาจึงไม่สามารถดับไฟกองใหญ่นั้นได้ อุปมาณนี้ชั่นใดอุปไัยก็ชันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปสัสสธิสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงเป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะสงบด้วยธรรมะเหล่านั้นและเรากล่าวสติว่าจำต้องประสงค์ในที่ทุกสถานข้อนี้คือ ไม่ว่าจิตเป็นแบบไหนต้องมีข้อหลักคือสติสัมโพชงไว้เป็นเบื้องต้นว่าด้วยจิตมีเมตตาสมัยหนึ่งนกแคว้นโกริยะครั้งนั้นภิกษุหลายรูปได้เข้าไปอย่างอารามของพวกอัญญะเดียรธีปริพาชกถูกถามดังนี้ว่าพระสมณะโคดม แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละนิวรณหาประการอันเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกําลังปัญญาแล้วมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทุกทิศแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตอันไพ่บุ์เป็นมหัคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เราทั้งหลายก็แสดงธรรมเช่นเดียวกันนั้นในธรรมเทศนานี้พระสมณโคดมกับพวกเราคือเหล่าอัญญาเดียรทีนั้นจะมีอะไรแตกต่างกันพิกษุเหล่านั้นเดินทางเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายพวกอัญญาเดียรทีปริภาชกมีวาทะอย่างนี้ เธอทั้งหลายควรถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดและโดยในยะเดียวกันกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติก็ถามเช่นเดียวกัน พวกอัญญาเดระถีปริพาชกถูกถามอย่างนี้จะไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ใช่วิสัยเพราะยังไม่เห็นสัตว์ใดพบใดที่สามารถทำให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้เว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ได้ฟังจากคำสอนของตถาคตนี้เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงที่สราหะขตะด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงวิริยสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสิสัมโพชฌง สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สรหหะคตะด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะหากเธอหวังว่าเรามีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ชัดตามนั้น หากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ชัดตามนั้นหากเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ชัดจริงตามนั้นหากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ชัดจริงตามนั้นหากเธอหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ ในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรือเข้าถึงสุภาพวิโมกอยู่ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติครุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติว่ามีสุภาวิโมกเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ การเจริญสติสัมโพชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชงที่สหรัตคติด้วยการุณาพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่หรือบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการุณาเจโตวิมุตว่ามีอากาสานันจายตนาชานเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้เจริญสติสัมโพชงจนถึงอุเบคาสัมโพชง ด้วยมุทิตาอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะหากเธอหวังว่าพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่หรือบรรลุวิญญาณันจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ เราะลวงอากาสาัญจายตนาชาดโดยประการทั้งปวงภิษุทั้งหลายเรากล่าวมุติตาเจโตวิมุตต์ว่ามีวิญญาณัญจายตนาชาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกียะยังไม่รู้แจ้งวิมุตต์ที่ยอดเยี่ยมในธรรมะเหล่านี้ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ เจริญสติสัมโพชงเป็นต้นนั้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตกด้วยอุเบกขาอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรตน้อมไปในโวศกคะหากเธอหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ หรือบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเพราะลวงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุตต์ว่ามีอากินจัญญายตนะฌานเป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอันเป็นโลกียะยังไม่รู้แจ้งวิมุตต์ที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้ ว่าด้วยสังขาระวะพราหมณ์นักรุงสาวถีครั้งนั้นสังขาระวะพราหมณ์เข้าเฝ้าทูนถามดังนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานา น, านก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยอันหนึง่งและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มน แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจมแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมวลที่สาธยายเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมัยใดบุคคลมีจิตถูกกรรมราคะกลุ่มรุมถูกกรมราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดธรรมะเครื่องสลัดออกจากกรรมราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้น บุคคลไม่รู้ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่จำแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยภาชนะน้ำซึ่งรับคนด้วยครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนคนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้น ไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดสมัยใดบุคคลมีจิตถูกการมราคะกุ้มรุมครอบงำอยู่ไม่รู้ชัดเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลไม่รู้เห็นแม้ประโยชน์ตนและของผู้อื่นหม่นแม้ที่สานทะยามมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้และโดยในยาเดียวกัน สมัยใดบุคคลมีจิตถูกพยาบาทถูกทีนะมิทะถูกอุทธจักกุกุจักถูกวิจิกิจฉารวมความคือนิวรณ์ห้าประการนั้นกลุ่มรุมถูกครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดธรรมะเครื่องสลัดออกจากนิวรณ์ห้าประการนั้นที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นบุคคลไม่รู้ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตามความเป็นจริงมนต์แม้ที่สาทยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจมแจ้งได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนต์ที่ไม่ได้สาทยายเลยในบุคคลผู้มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมเปรียบเทียบได้กับน้ำร้อนเพราะไฟเดือดพล่านเป็นไอคนมีตาดีย่อมมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำไม่ได้ตามความเป็นจริง ส่วนคนที่ถูกขีณามิทะกลุ่มรุ่มเปรียบภาชนะน้ำถูกสาวรายและแหน่ปกคลุมไว้คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนย่อมไม่สามารถมองดูเงาหน้าของตนได้ตามความเป็นจริงส่วนคนที่มีจิตถูกอุทธจากกุจจักลุ่มรุ่มเปรียบได้กับภาชนะน้ำถูกลมพัดไหววนเป็นคลื่น ยอมไม่สามารถมองเห็นหน้าของตนได้ตามความเป็นจริงส่วนบุคคลมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุ่มเปรียบภาชนะน้ำขุนมัวเป็นตมที่เขาวางไว้ในที่มืดย่อมมองดูเงาหน้าของตนไม่เห็นชัดได้ตามความเป็นจริงและโดยนัยะตรงกันข้ามกันบุคคลมีจิตเมตุภูกนิวรห้าประการกุ้มรุ่ม หรือครอบงำอยู่และรู้ชัดธรรมะเคลื่องสลัดออกจากนิวรณ์หประการที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนั้นสมัยนั้นบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยช น, ยช น, ยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริงมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้เปรียบคนถูกกามราคะครอบงำ โพชฌงเจ็ดประการนี้ไม่เป็นนิวรณเครื่องกลางกัน้นไม่เป็นความเศร้ามองแห่งจิตที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทาให้แจ้งผลแห่งวิชาและวิมุตติโพชฌงเจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยสัมโพชฌงวิริยะปีติปัสสติสมาธิและอุเบคาสัมโพชฌง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 ว่าโดยอภัยราชกุมารณภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชฤก์ครั้งนั้นอภัยราชกุมารเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าเจ้าลัทธิชื่อปุรณกัสปะนั้นได้กล่าวว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ในเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าอย่างไรทรงตอบว่าเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยมีเพื่อความรู้และความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยสมัยใดบุคคลมีจิตถูกนิวรณ์หประการคือกามราคะ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 ทุลถามว่าธรรมบัญญาตนี้ชื่ออะไรทรงตอบว่าธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรทูลถามว่าเหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรทรงตอบว่าภิกษุในธรรมวินนันนี้เจริญสติสัมโพชฌง เจริญธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเธอมีจิตอันโพชฌงค์เจ็ดประการนั้นให้เจริญแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงราชกุมารนินลาเป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยพชชงแม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงไม่จาเป็นต้องพูดถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยพวชงทั้งเจประการเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากายใจที่มีแก่ข้าพระองค์ พุขึ้นภูเขาคิดจะ ก, กูรก็ระงับไปเพราะธรรมะอันค่าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วอาณาปานวักหมวดว่าด้วยอาณาปาสติว่าด้วยอธิกะสัญญามีผลมากภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาคือความหมายรู้ซากศพ ที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง์มากข้อนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงที่สหรัตตด้วยอัธิกะสัญญาเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงวิริยะปีติปัสสธิสมาธิ และอุเบกขาสัมโพชงที่สหรัตตด้วยอธติกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรตน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอาธติกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสงมากอย่างนี้แลเมื่ออธติกะสัญญาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว พึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทาเหลืออยู่ก็จกเป็นพระอนาคามีอธิกาสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากในที่นี้หมายถึงมากคสี่และอีกในยะหนึ่งหมายถึงสามัญญผลสี่อธิกาสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะมากข้อนี้หมายถึงสามัญญผลสี่หรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงนิพพานอธิการสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ภาสุขมากข้อนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสติสัมโพชงจนถึงเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรัตตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วพึงหวังผลสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามี และอธิกสัญญาที่เจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากยอมเป็นไปเพื่อธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะมากยอมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากและยอมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุขมากอย่างนี้แหลและโดยนัยะเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากอธิกสัญญาเป็นปุลาวักสัญญา ความหมายรู้ซากศพที่มีนอนคลาคล้ำเต็มไปหมดและโดยในย่าเดียวกันเจริญสัมโพธิชน์ที่สหรคตะด้วยวินีละกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำด้วยวิจิตท ก, กะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ขาดจากกันเป็นท่อนๆด้วยอุตตุมาตะกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่เน่าพองขึ้นอื่น และโดยในยะเช่นเดียวกันอีกนะครับคือภิกษุทั้งหลายเจริญสติสัมโพชฌงจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงนั้นที่สหรัตะตด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุติตาด้วยอุเบกขาด้วยอานาปานาสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยอสุภาสัญญาความหมายรู้ว่าไม่งามด้วยมรณะสัญญาความหมายรู้ความตาย ด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาความหมายรู้ความปฏิกูลในอาหารด้วยสัพพโลเกอนาพิรติสัญญาความหมายรู้ความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงด้วยอนิจจสัญญาความหมายรู้ความไม่เที่ยงด้วยทุกขสัญญาความหมายรู้ความเป็นทุกข์ด้วยอนัตตสัญญาความหมายรู้ความเป็นอนัตตา ด้วยปหานะสัญญาความหมายรู้การละด้วยวิราคะสัญญาความหมายรู้วิราคะและด้วยนิโรธะสัญญาความหมายรู้นิโรธคือความดับเจเริญสติสัมโพชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตะด้วยแต่ละประการนั้นๆอันอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักคะเมื่อเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทาเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อธรรมะที่เป็นแดนกเกษมจากโยคะมากเพื่อความสังเวชมากและเพื่อความอยู่ผาสุกมากอย่างนี้แหละ ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเมื่อเจริญโพชทชงเจ็ดประการทำพุทธชงเจ็ดประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญโพชฌงเจ็ดประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุธรรมภากิยสังโยชนห้าประการโพชฌงเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ จเจริญสติสัมโพชฌงจเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงจเจริญวิริยะสัมโพชฌงจเจริญปีติสัมโพชฌงจเจริญปัสสติสัมโพชฌงจเจริญสมาธิสัมโพชฌงจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะ อันเป็นธรรมะมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเจริญโพชฌงเจตประการนั้นอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุพึงเจริญโพชฌงเจตประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อลักอุทมภากิยสังโยชน์ห้าประการนี้